ในโลกนี้ท่านผู้ฟังมีสิ่งที่เราไม่รู้ตั้งเยอะแยะบางเรื่องบางจะรู้หมดทุก มันกลับมาทําให้เรายุ่งใจรบใจเสียเปล่าๆไม่ได้เกิดประโยชน์แต่ความรู้บางอย่างรู้ เรียนด้วยการปฏิบัติเรียนด้วยการทําเลยน่ะทําให้เกิดขึ้น นะเค้าก็นับผลส้มบ้างผลไม้บ้างไอ้ผลส้มผลไม้เนี่ยเค้าอย่างเป็นตัวอย่างในไปในห้องเรียนที่แบบเรียนชนิดที่เรียกว่าๆเป็นรูปๆให้เข้า ปฏิบัติเนี่ยหมายความว่าไงเพราะว่าสิ่งที่จะเข้าไปสู่ 6 ช่องทาง เป็นอะไรที่ 6 ช่องทางทางเนี่ยมันเป็นบวกเป 7 นี่ 10 นะ. 10 ใจเอ่ออ้าวแล้ว 9 1 ก็ 10 อ่ะเออบางคนก็ไม่เข้า 10 7 3 ก็ 10 อ้าวทําไม ได้เหเห 10 เหมือนกันแต่ว่ามันมาไม่เหมือนกันน่าจะไม่เข้าใจแต่พอมีทําความเข้าใจเรื่องที่ 7 ผลอ้าว 3 ผลรวมมี 10 ผลนะอ้าวแล้วถ้าอีกครอบครัวนึงพ่อมี 9 แล้ว 1 อ้าวครอบครัว 10 ผลเหมือนกันอันมีนั่น มันมันมาหกทางได้ว่ามาทางเดียวมันมา 6 ทางมา 6 ทางด้วยกันหน้าผ่าน นะปฏิบัติทางกายปฏิบัติทางใจมีหมดเอ่อเพราะฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยมันจะเค้าเรียกว่าใช้อายตนะเหล่าเนี้ยทั้งหมดแล้วก็ ประเด็นการที่เรามาพูดคุยฟังกันมั้ยเออนี่มันก็สัมผัสความเข้าใจผ่านทางๆเออมันยิ่งจะเป็น นะสัญญาที่เราเรียนมารู้มาเราจะมีความเข้าใจอ๋อรู้ลึกซึ้งถึงความเป็น นะการดูแลลูกค้าเอ้าเรียนมาแล้วไงเดี๋ยวกูๆนะมันก็ละส่วนกันอ่าอย่างเช่นว่าการไม่ลักทรัพย์ ไม่โกหกไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดนี่ก็เป็นศีลอย่างหนึ่งอ่ะเรารู้แล้วเข้าใจละนะ ความพอใจในการทําเอาไว้ความพอใจในการทํานี่แหละมันจะไม่เกิดความกล้าจะไม่เกิดกําลังใจในการปฏิบัติความ เรามีความมั่นใจและมีความพอใจมีความยิน นะสงฆ์คือการปฏิบัติการปฏิบัติธรรมปฏิบัติชอบการปะโดดตรงนั้นไม่ๆแต่ความหมายเบื้องลึกจริงๆเนี่ย อย่างดีละเอออันนี้ดีนะเราเห็นตัวอย่างการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าเรามีความมั่นใจในการที่เอ่อข้อมูลความมั่นใจในเนื้อหาที่ถูกต้องที่พระพุทธเจ้า แต่บางเรื่องบางราวที่เราเวลาแต่เพราะนั้นเรามีผู้ที่มีอายุในครอบครัวเลยวัยกลางคนมาแล้วเล 4 เลข 5 ไปแล้วอย่างเงี้ยเลข 40 50 ไปแล้วอย่างเงี้ย แต่ถ้าเราจะประมาทมัวเมาว่าเอ๊ะฉันเอ่อมีความกันนะคือบางทีประมาทแล้วทําให้เรามัวเมานะเรามัวเมาในความ ทางกําลังตามความสามารถนะเราก็สามารถที่จะทรงความรู้นั้นเอาไว้ในใจได้ทรง เหตุของความทุกข์ให้จิตของเราเนี่ยมันหลุดพ้นจากความทุกข์ให้จิตของเราเนี่ยเป็นจิตที่สบายในสบายในที่นี้ก็คือหมายประตูอ่าความรู้ ทำว่าทําไมมันถึงเป็นความทุกข์เพราะว่าถ้าเมื่อไหร่เราไปยึดในสิ่งนั้นอัน หรือว่าถ้าเราไปทําลายสิ่งนั้นอ้าวเราก็สั่งความทุกข์ มันไม่ได้อยู่ที่สิ่งนั้นนะมันอยู่ในใจเรากาวที่ นะคิดดูสิในโลกเนี้ยมันมีต้นไม้หญ้ากับเขาถูกมั้ยเออแต่แต่ว่าทําไมบางคนเอ้ยเราแคร์คนนี้เรา นะถ้าเกิดเป็นอะไรขึ้นมาเราก็มีความหวั่นไหวแล้วก็เสียใจบ้างอัน มันมีปัญหาแน่กล่าวที่ว่านั้นก็คือตัณหานรจละตัณหาทําตัณหานี้ให้มันสิ้นสุดหมดจบ เราธรรมปฏิบัติทางร่างกายเช่นเราเรารักษาศีลเรารักษาวาจาของเราเรารักษาการปฏิบัติทางกาย นั่นก็เป็นลักษณะของคนที่เหมือนกับไม่มีใจ และรักษาศีลก็มีสติแล้วแล้วฝึกสติให้มากการนั่งสมาธิปวารณาแต่จะช่วยกรรมตัวของวันนี้ข้าพเจ้า